เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระปวติยานกำลังเสนอพระพุทธรมรดจัดสอนพระอนุรุษกับพวกนะอนุรุพระพักคุพระกิมพิละนะก็อยู่ด้วยกันก็ความในวันก่อนก็เรามาเริ่มในช่วงที่ว่าเราเจริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจาร ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกแต่มีวิจารพอประมาณซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารซึ่งสมาธิอันมีปิติซึ่งสมาธิอันหาปิติไม่ได้ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดีนะฮะจะเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ไม่ได้พูดไวในในองค์ชาน คือเป็นรติไปรู้ความยินดีเป็นความยินดีในธรรมธรรมที่สัมผัสที่จิตนั้นสัมผัสขนาดนั้น่ะจิตมันก็เสวยผลก็ออกมาในรูปของความยินดีแต่ว่าไม่ใช่ยินดีแบบปีติมันลนะักษณะเบิกอิมคือปีติเนี่ยมันบางทีมันโลดโผนนะฮะโลดโผนก็ออกมาจิตใจมันฟูวบว่าปูบ้าแต่ว่าความยินดีเนี่ยมัน คล้ายๆกับจิตมาเข้าสัมผัสสิ่งที่พอดีเจ้าหนูกินอาหารกําลังรสชาติกลมกล่อมหรือว่ากับทํางานกําลังสบายสบาๆอะไรต่อไรเนี่ยเป็ลนลักษณะของรัติคือความยินดีจนรู้สึกเสวยผลของความยินดีที่เราเรียกว่ามีความสุขทีนี้มันก็เจอตรงนี้เราก็เห็นนิวรณ์อีกข้อหนึ่งนิวรณ์อีกข้อหนึ่งคือ อุทจจะก็กุกุจจะที่แปลว่าความพุ่งสั้นความรําคาญการสัดสายของจิตมากจนถึงจุดหนึ่งแล้วรําคาญเลยหงดงิดได้ถ้าเราลองดูว่าทําไมล่ะดูง่ายๆนะดูง่ายๆเช่นเรานั่งรับประทานอาหารในโต๊ะนี้อันเต็มโต๊ะไปหมดเลยบางทีไม่ถูกปากเลยตาก็สายลองนั่นลองนี้ลองโน่นเสร็จแล้วก็ไม่กินเน่ยไม่เอา นั้นลักษณะกนะ็หนักฟุ้งสั้นนะฮะฟุ้งสั้นสั้นไปเรื่อยแล้วก็อย่างเวลาเนี้ยบางทีเราเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยสินค้ามันเยอะในห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยเราก็เดินดูเดินไปเดินมาเดินเป็นจุดจุดจุจุ ด, จ ด, จ ด, จดไปแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรพอใจเลยไปร้านอื่นเ่ยบางทีต้องการจะซื้อของเบียงไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมง สมัยเป็นเด็กเในฟังเพลงเพลงหนึ่งเด็กเขาพูดถึงว่าเดินไปเดินมาแถวสะพานหันอะไรเนี่ยสเสน่ห์กมาราชุนก็ร้องก็เห็นภาพนะว่ามันใจมันสายเพราะว่ายังไม่ยินดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ตอนนี้มันเกิดยินดีแล้วก็มีความสุขที่ที่ได้อย่างงั้น อาการของความฟุ้งซ่านรำคาญซัด ส, สายการเล่นไปของจิตก็สงบปัญหาว่าทอยังไงจะโดยเสด็จเรื่องใหญ่ตรงนี้มันก็โดยเสด็จเราก็คงจะเต็มยศไม่ได้แล้วนะแต่ว่าให้พอใจในสิ่งที่ตนได้ตนมีตนเป็นอยู่ในขณะนั้นๆแล้วก็ใช้ประโยชน์จากจุดตรง น, นั้นนะ่ะให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทีนี้สมมติว่าเรามีโอกาสจะทํางานตําแหน่งหนะ้าที่การงานในขยายไปเราก็ทําตัวนั้นให้ดีที่สุดไม่ต้องไปติดใจมากคือถ้าเราคว้าแล้วเนี่ยมันจะยุ่งใจจิตใจจะไม่สงบบางทีเราก็รอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยัง น, ยงนึกถึงพระเถราผู้ใหญ่องค์หนึ่งก็รหุหลวงพ่อนะคือท่านปราดเปรื่องมากและท่านเก่งมากเป็นประเรียนเอกนะฮะแต่ไม่ถึงเก้าประโยคเป็นป ร, ริญญาเจ็ดประโยค อก็ไปคุยกับท่านบอกว่าหลวงพ่อหน้าจะเปิดสอนบาลีนะะเพราะว่าในจังหวัดเนี่ยไม่มีโรงเรียนสอนบาลีแล้วก็คนที่ความรู้สูงอย่างหลวงพ่อเนี่ยมันก็หายา ก, ก น, นะในต่างจังหวัดเนีท่านบอกว่าเราไม่ทําหรอกตราบใดที่คนนี้ยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ท่านไม่พอใจเจ้าหน้าจังหวัดแล้วก็ถามมาถานถามว่ า, า, วาท่านท่านจะทำเมื่อไหร่จะรอให้ท่านตาย ร้อยเจ้าท่านจังหวัดตายแล้วปัญหาเขาใครตายก่อนละ่ะต่อมาท่านเดยเป็นเจ้าหน้าจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ทําจนตายไปเลยอายุต้องแปดสิบกว่าจนตายนี่ก็เราเห็นได้ชัดเจนนะว่าลักษณะอย่างหนึ่งก็คือใจไม่ยินดีใจไม่ยินดีไม่เกิดธรรมาฉันทะไม่เกิดความพอใจในธรรมะแล้ววิริยะจิตตาวิบังคับมันไม่เดินเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้คิดไม่ได้นําความคิดมาคิด ว่ามันเรื่องอะไรเราเราบวชมาในศาสนาเนี่ยนะสมมติเราบวชมาในศาสนาแล้วเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยทําไมจะรอยคนอื่นก็รักชาติก่อนละ่ะเรามีหน้าที่สนองคุณแผ่นดินนี่คือมาตุภูมินี่คือปีตุภูมิคนไม่รักชาติมันมีเยอะมันมเป็นขยะสังคมมันมีอยู่ทุกยุคทุกส ม, มยัยแหละบ้านเมืองเราแก้ไขไม่ได้เราไม่ว่าสถาบันใดก็ตามนะครับ สถาบันที่ต้องไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วคนต้อไม่มากเขาจึงคุมไปคุณภาพคนไว้ได้นะเชนราชวงศ์ของเราเนี่ยคนไม่มากทั้งคุมก็ท่านได้แต่ถ้าคนจํานวนมากแล้วมันจะคุมยากเช่นสมมติว่าสถาบันพระสงฆ์เนี่ยเราจะคุมคนให้ดีหมดมันไม่ได้เพรา ะ, ะไรเพราะว่าเราเองค์จากคนไม่ดีมาทําให้ดี ให้ดียิ่งขึ้นน่ะดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นฮะคือดีแบบชาวบ้านมันก็ยังไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานของพระทีนี้มันเข้าเกณฑ์มาตรฐานของพระสามาัญมันก็ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานพระที่ดีขึ้นไปดีขึ้นไปเรื่อยๆเรยพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานของพระมันเยอะเหลือเกินเนี่ยฮะชั้นมันไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทำของเราแต่นั้นเอง ข้อที่น่าสังเกตอย่างยิ่งในหมู่พุทธศาสนิกชนแต่วเรามองผ่านเรามองผ่านไปเช่นที่พระเจ้าทรงสอนแนวปัญหาปัจจเวกันะให้เราพิจารณาห้าเรื่องเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ เราจะต้องพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายตัางพวกไปตัวนี้ที่จริงเราหยุดมันไม่ได้แต่ว่าทําไมเราต้องคิดต้องพิจารณาต้องทําใจล่ะเพื่อจะใช้เวลาที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เล่นเราแก่ไปด้วยทุกทีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ได้มากๆอย่างนี้กิจกรรมบางอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำคำหนึ่งว่าปปัญจะทำ คือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าอย่างในสังคมพุดเราเนี้มีประปัญญธรรมเยอะเหลือเกินะเรื่อพภานาที่อะไรตัวอไรนี่ยโอ้ยบางทีปล่อยพระไปนั่งคอยกันไปเพื่อจะฉันข้าวแค่มื้อเดียวนะฮะประมาณสามสิบนาทีแ่นันเองเสียเวลา 3-4 มสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเพื่อกินข้าวมื้อเดียว อ, อะไรกัน คือทำลายเวลาชีวิตแก่ไปสี่ชั่วโมงเพื่อกินข้าวเพียงหนึ่งมื้ อ, อ น, นั้นเองแล้วเราก็ไปเห็นความต้องการกระตรงนั้นไปให้ความต้องการกบเป็นกะเป็นจะเป็นจะตายกั่เรื่องเ่าแต่ถึงการใช้ชีวิตที่น่าที่น่าเสียดายว่าโรกแกไปเปล่าโรกแกเ ป, ป่เปล่านะแล้วเราก็ใกล้าตายเข้าไป ทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายทั้งพลัดพรากเนี่ยเราหายไปเลยสีชั่วโมงเพื่อจะกินข้าวหนึ่งหนึ่งหนึ่งอิ่มเป็นเวลาที่ที่น่าสลดแต่เราก็นิยมทํากันอย่างนั้นโดยเฉพาะพระเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนรับใช้เขานะบางทีนะเขาสั่งไปเมื่อนะักไป ก, ไปก็นัน่งเงาอย่างนั้นนั่งคอยอย่างนั้นคอยเลิกพระนาทีเขาแล้วไม่ได้รู้ว่า แต่ละคนเนี่ยมีเวลาที่มีค่าและจะตายแล้วแกแล้วกำลับบงแกอยู่ทุกขณะทุกลมหายใจเข้าออกนี่แกหหายใครใจข้าวก็แกหายใจออกก็แกกำลับบงจะตายแล้วมันน่าจะใช้เวลาให้มากให้คุ้มค่ามากกว่านั้นแต่เราก็ไม่เคยได้คิดแต่ในขณะเดียวกันเรื่องกรรมในข้อที่ห้าเราตั้งเกตนะ เรามีกรรมเป็นของกอนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นตรงเนี้ยเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ก็ให้มองด้วยความรับผิดชอบแต่ถ้าเรายินดีในกุศลกรรมเห็นไหมเรายินดีในกุศลกรรมการแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีพลาดพลาดก็ดีของเรานั้น จะไม่สูญเสียเปล่าเพราะว่าคุณภาพชีวิตเราสูงขึ้นเป็นคนแก่เรียกแก่ศีลแก่ฐานแก่พอนาะความเจ็บมมนก็เจ็บน้อยลงะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตจะไม่เข้าไปบวกกับกายที่มันเจ็บกายเวลามันเจ็บเนี่ยเคยได้ข่าวผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมารมหลวงวิชยานนท์วงศ์ อันดีจ้าวัดทิวัตรวอนเนี่ยดังนั้นการแพทย์ไม่เจริญถ้าท่านมีปัญหาที่ไส้เนี่ยฮะก็ awesome. าพาเอาไส้มาไว้กันนอกมาห้อยไว้กันนอกก็ทําไปยังไงไม่รู้อะท่านบอกเรื่องของหมอกันไม่เกี่ยวทยํายังไงก็ปล่อยทํำไม่สนพระไทยเลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนแกที่ที่ที่ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เดือดร้อนอะไรเลยนี่คืออะไร คือว่ามั่นใจในตัวกุศลพอมั่นใจในกุศลเนี่ยทุกอย่างมันถูกปรับใช้ให้เป็นคุณค่าขึ้นก็ทรงสอนให้เราคิดเราพิจารณาบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อเกิดธรรมชนทะเนี่ยธรรมชนทะก็เป็นเรื่องใหญ่เรายินดีในธรรมหรือเปล่ามีความยินดีมีความพอใจมีความใสยใจในธรรมหายใจเข้าออกมันก็เป็นธรรมเป็นสาระแก่นสาร วันก่อนเนี่ยไปคุยกับไปปาตกถาที่จริงเขาอนิมนให้ปาตกถาคุณูปการของอาจารย์สุชีปุญญานุภาพตอพระพุทธศาสนาที่องค์การพอสลอแล้วเขาก็ลอกเทปไปพิมพ์ในงานศพแล้วก็ที่หน้าโรงนะฮะก็ปกาตกถาแต่มาใช้ใช้เกณฑ์นะฮะใช้เกณฑ์เอาบารมีสิบ มาเป็นเกณฑ์จับที่ตัวอาจารย์ชีพเอาอินซีห้ากับสมบัติสีนะฮะมามาจับที่พอรอลแล้วพูดไปพูดมาแล้วก็มันก็บอกขึ้นในที่ประชุมก็มี <laughs> นักวิจการโดยใหญ่นะบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าก่อนอาจารย์จะตาย โตคุยกับอาจารย์ชีพยอยู่สักชั่วโมงคือนั่นคุยมากคุยธรรมะกันอย่างนั้นนะนะก็คุยถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างอาจารย์พูดแปลกไปพูดมันเป็นภาษาใจภาษาชอบกลภาษาเย็นส ง, งบลึกอยู่ภายในนแล้วก็บอกว่าไม่มามีความรู้สึกเป็นการส่วนตัวนะใครก็ไม่ต้องไปเชื่อหรอกมีความรู้สึกเป็นการส่วนตัวว่าอาจารย์ได้บรรลุธรรม ก่อนจะตายไม่กี่วันน่ะอาจารย์บรรลุธรรมแล้วก็พอดีเมื่อวันที่สามสิบสิงหาคมก็ออกมาจากสอนนักนัศึกษาปีสี่ก็เจออาจารย์ดรสุนธนอารังสีไปยืนคุยกันแล้วท่านก็เล่าถึงการทํางานโดยอาจารย์โดยชีพคุ้นเคยว่าสงสัยอาจารย์สุทธิดบดยบรรลุธรรมแล้วคิดตรงกันนะบอกเออเขาคิดตรงกัน แปลว่าท่านเปลี่ยนแปลงไปเยอะท่านสงบเย็นแล้วก็ลึกมากเลยไม่มีอาการอะไรที่ที่แสดงถึงถึงอารมณ์เลยอารมณ์เราไม่เคยเห็นนะนะแต่ว่าอันสงบลึกแล้วก็วินิจฉัยปัญหาต่างๆเนี่ยด้วยใช้อุเบกขาคือปล่อยเป็นกระบวนการของกรรมจึงถือว่าธรรมะสัมผัสได้ได้หน้าหน้าอัศจรรย์นะนะเ ข, ข้าถึงธรรมะได้อย่างอัศจรรย์ พื่อราโดยใจว่าจิตพอมันเดินขึ้นมาตรงเนี้เอ็นมาสมาธิที่เอ็นเป็นไปกับด้วยอุเบกขาพอเป็นไปก็ด้วยความยินดีด้วยความสุขความยินดีแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นอุเบกขาอุเบกขาเป็นลักษณะเพ่งดูเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นกลางกลางตามปกติแล้วก็ใจจะไม่ยินดียินร้ายตามสิ่งสัมผัส ซึ่งไม่ใช่ง่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งและจําเป็นอะมากมากว่าคนต้องอุเบกขาบ้างถ้าอุเบกขาไม่เป็นเลยจะยุ่งมากไลยคื อ, อยังนึกว่าเราขาดแคลนมากอุเบกขาอย่างหนึ่งสัจจะอย่า ง, นงานหนึ่งอธิษฐานอย่างหนึ่งเนก็ขาดอะมากมากแล้วเรื่องไม่น่ายุ่งก็ยุ่งวุ่นไปหมดเลยอุเบกขาเกินเพ่งดูอารมณ์ทั้งหลายเนี่ย มันถ้าเราตั้งคำถามหาคำตอบไปได้อะไรเพื่ออะไรได้ประโยชน์ยังไงถ้าไม่หาคำตอบว่าได้ประโยชน์อะไรไม่ได้แลวไปยุ่งก็ททำไมไปเดือดร้อนก็ทำไมไปวิตกกังวลทำไมยังนึกถึงวันก่อนเนี่ยฟังเขาถ่ายทอดวิทยุแต่เป็นกระท่อนกระแท่นนะแล้วก็ไม่อยากอ่านที่จริงหนะังสือพิมพ์เขา็คัดลอกมา อาจารย์หมหาวิทยาลัยเนี่ยพูดจากเกลียวกราดมากแล้วพูดถึงว่ารัฐบาลในเป็นทาสประชาชนเป็นผู้รับใช้ประชาช น, น, พ, ชาชาชนพูดมากไปนะคือมาว่าอย่าเอาใจอะไรมากเกินรัฐบาลเป็นทาสประชาชนได้ยังไงเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้พระปรมาวิทษยของพระมหากษัตริย์นะเป็นผู้ปกครองนะให้คุณให้โทษได้นะฮะ ไม่ใช่ธาตุนะฮะธาตุไม่สามารถให้คุณให้โทษกันนายได้แล้วพูดจนประชาชนบางคนที่ที่โง่โ ง, ง่เนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักสถานะตัวเองก็ทําใหญ่ทําโตอารวาสค ว, างวง่ควางงคกงางงชายประชาธิปไตยอิสระเสรีภาพพอเป็นนายเป็นเป็นนายของของรัฐบาลรัฐบาลเองเขาไม่ควรไปพูดว่าเป็นเป็นเป็นผู้รับใช้ประชาชนมันไม่ใช่ เป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินประชาชนคนเดียวก็เป็นประชาชนนะแล้วแต่งั้นตายรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรฮะเป็นเรื่องของแผ่นดินทั้งแผ่นดินแล้วก็มีกฎเกณฑ์ในการบริหารแล้วเป็นคุณเป็นโทษกับคนแน่นอนแม้แต่เราหมอผ่าตัดในตัวเราเนี่ยเราก็เป็นคุณเป็นโทษเรากินยาเข้าไปเนี่ยเป็นคุณเป็นโทษทั้นนั้นเนี่ะเห็นไหมยาเราประทานมันก็เป็นโทษแก่ตัวพยาธิเป็นตัวเป็นโทษแก่เชื้อโรค แต่เป็นคุณแกตัวเราแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโทษแก่ตัวเราที่โรคมันเล่นเอาทำให้เราสูญเสียเวลาเพราะฉะนั้นปัญหาการมองปัญหาเนี่ยมันต้องเพ่งพินิจพิจารณาแล้วมมองให้เข้าถึงกระบวนการของกรรมโดยเฉพาะอย่ายินดียินร้ายกับอารมณ์ลอานั้นมากเกินไปอุปเบกขาใช่ไหม ยังชอบใจคุณชายทุริศก็ เ, เคยอุปมาแล้วก็ชอบแต่ก็ตอบปัญหาประจำวันแกบอกว่าพรหมไมหารสี่นี่เหมือนกับบ้านเมตตาเหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณานั้นเหมือนกับห้องน้ำห้องอาหารหมุทิตาเหมือนกับห้องรับแขกอุเบขาเหมือนกับห้องนอนคือพระบาลีเนี่ยท่านอธิบายว่าเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ ใช้กับคนทุกชีวิตด้วยจิตที่ประกอ บ, บ ด, ด้วยเมตตากรุณานั้นมีสัตว์ประสบ ป, ปัญหาประสบความทุกขนะ์เป็นอารมณ์ทุกภัยโรคนะเป็นอารมณ์มุติตาก็ใช้ในกรณีสัตว์ที่ประสบลาบยศสรเสริญสุขเนะี่ยเป็นอารมณ์คือความดีทั้งหลายเนะี่ยเป็นอารมณ์อุเบกขาใช้ในกรณีที่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามกระบวนการของกรรมจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ เราสังเกตนะฮะสมมุติว่าคนเขาเดินแข็งแรงธรมมรมะธรรมแงแล้วเราก็วิ่งไปประคองเอานี่ทําทําไมถามว่าทำทำอะไรใช่ธรรมะไม่เป็นตรงนั้นต้องอุเบกขาเฉยๆหรือว่าคนญาติพี่น้องลูกเรารักหรือหลานเดี๋ยว ร, ร, รักเดี๋ยวไปฆ่าคนตายสารตัดสินประหารชีวิตวเราก็วิ่งเต้นร้อ ง, องห่มร้องไห้ช่วยเหลือให้สินบาค่าเทวนแล้วมันทำทำไมมันได้เลย เห็นว่านี่คือกฎของกรรมเราไม่ปล่อยให้ความยินดียินร้ายเนี่ยไปมีอิทธิพลเหนือเหตุผลตรงนี้มันเป็นกระบวนการของกรรมเพราะฉะนั้นกระบวนการกรรมคือกระบวนของกฎหมายกระบวนของจารีตประเพณีแบบแผนต่างๆแต่มาเวลาไปเป็นวิทยากรอบรมสารพวกอัยาการเนี่ยพูดแต่เรื่องนี้เรื่องยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมให้เว้นอคติได้ แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วไปใช้อุเบกขานี่แหละคือเพ่งดูแบบตาช่างอ่ะดูตาช่างดูที่มันขึ้นอ่ะหนักเบาอะไรก็ไม่รู้เลยมันก็อยู่ที่ที่สิ่งเหล่านั้นที่ช่างเราไม่เอาใจเข้าไปเกี่ยวข้องเราไม่ดูที่ตัวคนถ้าเราสังเกตนะฮะเราไม่ดูที่ตัวคนเมตตาดูที่คนทั่วไปกรุณาดูที่คนซึ่งมีปัญหาหมุติตาดู ที่คนซึ่งประสบความสําเร็จเดี๋ยวเบียค้าไม่ใช่ดูที่กรรมไปรู้ที่คนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราแก้อะไรไม่ได้นะเช่นคนที่ประสบความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองตั้งตัวเป็นหลักฐานไปแล้วเนี่ยเราไม่วุ่นวายอะไรเขาแม้แต่ลูกเต้ากกันหราก็เถอะแต่แกตั้งตัวอยู่ดีมีหลักฐานไปแล้วนานๆนนนะไปพบปากกันักทีหนึ่งโทรศัพท์ถามข่าวค่าวสักทีหนึ่งได้ ไม่ต้องไปยุ่งกันหรอกอคนที่มันมีปัญหาเี่ยคนที่ป่วยอยู่เนี่ยคนที่ติดคุกอยู่เนี่ยคนที่เรียนหนังสือไม่ได้เนี่ยคนที่พิการเนี่ยต้องดูแลมันนะเราเจะใส่ฝรั่นอุเบกขาเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ระดับสมาธิแต่เราพูดระดับเบขขาในชีวิตประจำวันเนี่ยนะว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เรากระทบในแต่ละวันจากสื่อทั้งหลาย จาโทรทัศน์จากวิทยุจากสิ่งพิมพ์จากอินเทอร์เนต็ตอะไรต่ออะไรไปตอนี้มันบุ่นกันไปหมดละแล้ววันก่อนเนี้ยได้ข่าวอะไรอ่ะโอกาสสื่อสารเนี่ยก็เตือนเรื่องคือคนไทยเนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปคลิกอะไรเขาเรียกอะไรภาษาคอมพิวเตอร์แล้วไปดูไพวกพวกรามกอาจารย์ทั้งหลายทางทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยนะ แล้ก็คิดสตางนะฮะส่งบินมาเก็บสตางบางทีก็บานเบิดเลยแล้วก็ไปดูมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทําใจเฉยๆสิบ้างอย่าไปใส่ใจอย่าไป ส, ใสนใจถามมันได้ประโยชน์อะไรมันได้อะไรขึ้นมาที่ไปทําอย่างนั้นได้ไปดูอย่างนั้นได้ไปสนใจในเรื่องเหลนะ่านั้นมันได้อะไรขึ้นมาเพราะประโยชน์นั้นเป็นเนื้อหาหลักถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทําอุเบขาจึงเพ่งมอง ไม่ใช่เพียงมองเฉยๆทื่อๆนะฮะเบขามเป็นอาการของปัญญาคล้ายๆกับแมงมุมที่แกนอนอยู่กลางๆแล้วก็มีอะไรก็มาติดที่หลังแกนะฮะจะเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามนะมาติดแกก็ออกมาวินิ่งใสนะฮะถ้าเป็นสัตว์มามาติดแกก็กินเป็นอาหารแล้วแกกลับก็เป็นนอนถ้าออกมาถึงเป็นใบไม้อะไรต่อะไรปลิวมาแกก็เฉยก็ไม่ได้ว่าอะไร มันก็มาวินิจฉัยแต่สินอารมณ์เหล่านั้นแล้วรับสั่งย้ําว่าลูกกอนรถทั้งหลายการใดสมาธิมีวิตกมีวิจารณ์เป็นธรรมชาติเราเจริญแล้วการนั้นญาณคือหมายความว่าตรงเนี้ก็แสดงไปจนถึงจุดสูงสุดจุดสูงสุดเราก็คงจะพูดกันตอนศัสรู้นะฮะเพราะว่าทีจริงแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังถูกเถียงกันอยู่ในเรื่องเรื่องอายตนะนิพพานเรื่องธรรมกายเนี่ยนะฮะ คือธรรมกายจริงไม่อยากยุ่งเขาหรอกถ้าเขาไม่มาแตะเรื่องคําสอนหลักในพุทธศาสนาเนะมันไปลดเกรดพระพุทธเจ้าลงมาต่ําเหลือเกินเนี่ยต่ําเ ม, มื่อก็ผีผีที่เขาเส้นกันเลยเนี่ยเอาอาหารไปให้กินเนี่ต่ํา ม, มากเลยต่ํากว่าอะไรทั้งหมดอะเรานึกดูเถอะว่าเปรดเนี่ยมีกรรมเป็นอาหารกับอาหารที่เขาอุทิศไปให้สัตว์าระมีอาหารตามชนิดของมัน สัตว์นรกมีกรรมเป็นอาหารเทวดามีอาหารทิพย์พรหมมีปีติเป็นอาหารพระพุทธเจ้ากลับมาต้องกินเครื่องเส้นมันดุมินพระพุทธเจ้ามากๆเลยนะเป็นอันตรายต่อศาสนาอย่างยิ่งคำสอนอย่างเนี้ยแล้วก็คนก็ไม่ดูดำดูดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาลือทือกันหมดเลยไม่ได้มีใครสนใจมันทำลายโครงสร้างของพระพุทธศาสนา คือถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธศาสนามีค่าน้อยกว่าศาสนาผีสางเทวดาเสียอีกตามกษัศา ส, สนาพระรามนะฮะอย่าลืมพระรามก็ไม่เต็มศาสนาที่จาไปเวล้ที่ศาสดาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เนี่ยพระพุทธดํามรัตนที่จัดเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะของที่ชัดเจนของนิพพานว่ามันเป็นอย่างไรลักษณะมันเป็นอย่างไร ต้องอธิบายทุกแข่งแล้วก็ซ้ํานะฮะข้อความมันจะซ้ําอยู่ตลอดระยะเวลาเลยมันจะเหมือนกันนะฮะอากุปเมวิมุตติอัยมันติมาญาตินัติดานิปุนาปโวเนจะอย่างเนี้ยเลวลาพูดจะพูดอย่างนี้ทุกทีเลยเป็นนิ ป, ปรยายเป็นนิ ป, ปรยายคือลงตัวเพราะว่ามันเป็นความจริงที่ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยเช่นว่าไฟก็ร้อนน้ําแข็งก็เย็นนะก็จะว่ายอย่างไง จับเมื่อไหร่มันก็เย็นเมื่อนั้นน่ะไฟก็จับเมื่อไหร่ก็ร้อนเมื่อนั้นวันนี้พานเนี่ยบรรลุเมื่อไหรก่ก็พิเลสไม่คำเริบอีกยุติการหมุนวนในสังสารวัฏแล้วก็ไม่มีพบเป็นที่อุบัติไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามทต้องฟังทั้งหลายแต่รบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมโห ง, งามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี